แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าทารานาคราพญานาผู้เฝ้าผืนป่าตอนที่หนึ่งสวัสดีทางทีมงานแถวนี้ผีดุทุกทุกคนครับผมมีตำนานเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราผมเคยมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานที่นั่นอยู่ร่วมปีได้รู้จักคนในชุมชนพวกเขามักมีเรื่องเล่าแปลกแปลกมาเล่าให้ฟังอยู่หลายครั้ง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพญานาคพวกเขาดูจะเชื่อและให้ความเคารพศรัทธามากๆผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่หากความเชื่อนั้นไม่ได้นำพาสิ่งเลวร้ายหรือทําให้ใครเดือดร้อนเราก็ไม่อาจจะไปทําลายความเชื่อนั้นลงได้การจะไปหักดิบหรือลบหลู่ความศรัทธาของใครในทันทีมันก็ดูจะไม่เหมาะไม่ควรเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งหากความเชื่อนั้นนั้นทำให้มีกําลังใจและสร้างพลังในการใช้ชีวิตให้กับพวกเขาได้ มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่หรอครับเหมือนกับที่เรากราบขอพรจากพระเพื่อทําให้เรามีความหวังในการใช้ชีวิตต่อไปได้มันก็คล้ายๆเป็นหลักการทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับผมว่ามีเรื่องเล่าหนึ่งที่น่าสนใจและผมจําได้เป็นอย่างดีบริเวณที่ชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ในสมัยโบราณเคยมีน้ําป่าไหลหลากมาท่วมหมู่บ้านกระแสน้ําเชี่ยวกรากค่าชีวิตผู้คนไปมากมายจนกระทั่งมีชายคนหนึ่ง เดินฝ่ากระแสน้ำมาหยุดอยู่บนภูเขากระแสน้ําค่อยๆลดความเชี่ยวกรากลงและค่อยๆลดระดับลงอย่างน่าอัศจรรย์หลังจากที่เขาขึ้นไปยืนบนภูเขาร่างกายของเขาค่อยๆแปรเปลี่ยนไปลําตัวขยายใหญ่ขึ้นเกิดประกายระยิบระยับจากเกรด็ดบนลําตัวยามต้องกับแสงอาทิตย์ลําตัวยาวโอบพันรอบภูเขาเอาไว้ชาวบ้านที่รอดพ้นจากความตายมาได้ต่างก้มลงกราบไหว้ด้วยความศรัทธาและต่างขอบคุณที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ หลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปผู้ชาวบ้านต่างพากันขึ้นไปดูบนภูเขาแต่ไม่พบชายผู้นั้นแล้วพบแต่เพียงเกล็ดสีเขียวมรกตตกอยู่บนพื้นดินจํานวนหนึ่งพวกเขาเก็บเกล็ดนั้นและนํากลับมาที่หมู่บ้านและพากันไปหาผู้บําบัดผู้บําบัดเป็นชายแก่มีผมสีขาวทั่วทั้งหัวมีผ้าโพกสีขาวพันอยู่ด้านบนนุ่งห่ ม, มด้วยผ้าสีขาวแบบพราหมณเขาคือคนที่รักษาโรคและคอยทําพิธีกรรมต่างๆให้กับหมู่บ้านเป็นเหมือนหมอรักษาโรค และหมอผีในคนเดียวกันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนที่นี่พวกเขาพากันถามผู้บำบัดว่าเหตุการณ์ที่เห็นนั้นคืออะไรและได้คําตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะมีคนในหมู่บ้านพยายามจะขึ้นไปนบนภูเขาเพื่อทําลายต้นไม้ใหญ่ที่สุดในป่าซึ่งเป็นต้นไม้แห่งชีวิตและสรรพสิ่งการทําลายต้นไม้ใหญ่นั้นจะทําให้ตัดขาดจากธรรมชาติและแหล่งน้ําสิ่งที่ดูแลและคุม้มครองแหล่งน้ําและธรรมชาติรู้สึกโกรธมาก จึงได้ทาให้เกิดน้าท่วมครั้งใหญ่แต่โชคดีผู้หญิงคนนึงได้ไปอธิษฐานขอพรไม่ว่าหากช่วยให้น้ำลดลงได้จะไม่มีการตัดต้นไม้ใหญ่ในป่าอีกและชาวบ้านทุกคนจะอยู่กับธรรมชาติอย่างพึ่งพากันจากนั้นจึงเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นอย่างที่เห็นทุกคนต่างสงสัยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครและผู้บําบัดได้ให้คําตอบไว้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือคนที่เข้ามาขออยู่ใหม่ คนที่พวกชาวบ้านพากันขับไล่ให้ไปหยู่ที่ตีนเขาเพราะคิดว่าเป็นบ้าเพราะวันวันึงเอาแต่พูดถึงอะไรแปลกๆที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนพวกชาวบ้านต่างรู้สึกผิดและพากันไปหาผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นผู้หญิงสาวที่แต่งตัวด้วยชุดแปลกๆใส่อะไรหุ้มอยู่ที่เท้าและมีเครื่องมือสี่เหลี่ยมถืออยู่ในมือเธอใช้มันสําหรับส่องแสงไฟแต่ตอนนี้มันไม่มีไฟอีกแล้วนอกจากนั้นเธอยังมีอาวุธที่ใช้ยิงขึ้นฟ้าเพื่อขู่ให้พวกเขากลัวพวกเขาคิดว่า เธอเป็นสิ่งชั่วร้ายจึงขับไล่เธอให้ไปอยู่ตีนเขาเมื่อพวกเขาพากันไปค้นหาเธอจนเจอก็ได้ทำการขอขามาต่อเธอที่เคยทำสิ่งไม่ดีไว้และขอร้องให้เธอเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านไม่เป็นไรพวกคุณจำไม่ว่าป่าไม้จะช่วยดูดซับน้ำที่ไหลมาจากภูเขาเป็นแหล่งอาหารและช่วยทำให้ระบบนิเวศ ส, สมบูรณ์ที่ที่ฉันจากมามีการทำลายป่าไม้กันมากมายจึงเกิดน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง ฉันไม่อยากให้พวกคุณทำแบบคนพวกนั้นมาเถอะฉันจะไปช่วยพวกคุณซ่อมแซมที่พักเธอยังคงใช้คำพูดแปลกๆบางคำที่พวกเขาไม่เข้าใจแต่ทุกคนก็ยอมตามเธอไปโดยดีเมื่อมาถึงที่พักของผู้บำบัดเธอก็ได้ขอเกล็ดสีเขียวมรกตนั้นมาเก็บไว้หนึ่งชิ้นเธอบอกว่าเธอไม่เคยเจอกับสิ่งนี้มาก่อนเลยแต่ในที่ที่เธอจากมานั้นมีบางคนเชื่อว่าสิ่งนี้มีอยู่จริง แต่เธอไม่เคยเชื่อจนกระทั่งได้เห็นกับตาตัวเองในตอนที่เธอทํางานที่หน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับดินเธอจะเป็นต้องเข้ามาสํารวจดินในชุมชนหนึ่งซึ่งมีการตัดต้นไม้กันอย่างกว้างขวางและเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นคือในคืนที่เธออาศัยนอนในบ้านชาวบ้านนั้นมีน้ําป่าไหลหลากลงมาจากบนภูเขาเธอได้วิ่งหนีพยายามจะขึ้นไปบนภูเขาแต่ก็ามาสะดุดล้มลงซะก่อนน้ําป่ากําลังถาโถมเข้ามากลืนกินทุกสรารสิ่งที่ขวางหน้ารวมทั้งตัวเธอด้วย แต่ทันใดนั้นเองก็มีสิ่งหนึ่งมาขวางทางน้ําไว้เธอตกใจและแปลกใจมากที่เห็นน้ําค่อยๆลดระดับลงเรื่อยๆเมื่อเงยหน้าขึ้นไปก็เห็นอะไรบางอย่างเลือ้อยพันรอบภูเขาเอาไว้ลําตัวใหญ่และมีความยาวเท่ากับภูเขาสามลูกมีเกร็ดเป็นสีเขียวมรกตดวงตาเป็นสีแดงระดับน้ําลดลงหมดแล้วสิ่งที่พันรอบภูเขาอยู่ก็ค่อยๆ ค, คลายตัวและกลับกลายมาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีรัศมีสีทองแผ่ออกมาทั่วทั้งตัว เธอไม่เคยเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ครั้งนี้ทําให้ความคิดของเธอเปลี่ยนไปถ้าอยากให้เราช่วยต้องรู้จักเสียสละอย่าเห็นแก่ตัวระลึกถึงเราแล้วเราจะมาเขาพูดกับเธอก่อนที่จะหายวับไปกับตาเธอหมดสติไปทันทีเมื่อฟื้นขึ้นมาก็พบว่าเธอมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วเธอบอกว่าสิ่งที่มีลำตัวเป็นเกร็ดสีเขียวมรกตนั้นผู้คนเรียกกันว่าพญานาค หลังจากช่วยกันซ่อมแซมที่พักเสร็จผู้ชาวบ้านต่างพากันปั้นหุ่นรูปพญา น, นาคและนำเอเกรเดที่นำกลับมาได้ติดไว้ที่ตัวของรูปปั้นเพื่อใช้สำหรับกราบไหว้บูชาและขอพรพวกเขาอธิษฐานว่าจะไม่ตัดต้นไม้ใหญ่อีกและจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างพึ่งพาอาศัยหลังจากผู้ชาวบ้านอธิษฐานจบก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งร่างของชายที่มีแสงสีทองรอบตัวปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนหมดหน้าที่ของเจ้าแล้ว เราจะพาเจ้ากลับไปยังที่ที่เจ้าจากมาเมื่อสิ้นเสียงลำแสงสีทองก็ส่องสว่างไปทั่วทั้งบริเวณและเมื่อลำแสงสีทองนั้นจางหายไปผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านนั้นอีกแล้วนี่เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาที่ผมได้ฟังมาจากคนท้องถิ่นอีกทีหนึง่งผมไม่อาจตอบได้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือไม่และชุมชนที่ผมเคยไปทางานนี้ก็มีรูปปั้นพญานาคอยู่จริง ลำตัวยังมีเกร็ดสีเขียวติดอยู่จริงเหมือนในเรื่องเล่าเพียงแต่สีเขียวมรกตนั้นดูจางลงไปตามการเวลาแต่พวกคนท้องถิ่นก็ยังคงกราบไหวอยู่เช่นเดิมที่สําคัญที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศอยู่อย่างมากเพราะป่าไม้บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ที่สุดกว่าที่ไหนๆเลยก็ว่าได้งานของผมคือวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืชผมต้องทํางานร่วมกันกับนักวิจัยขแขนงอื่นๆเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพันไม้แหล่งน้ำสัตว์ป่ามแมลงมลภาวะรวมถึงดินทุกสิ่งต้องพึ่งพาอาศัยกันเอื้อประโยชน์ต่อกันหากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลให้สิ่งอื่นๆเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่ น, เ น, เ น, เนกันตอนนี้ผมกําลังจะกลับไปที่ชุมชนแห่งนั้นอีกครั้งหนึ่งทีมงานของผมไปรออยู่ที่นั่นหมดแล้วทีมงานมีทั้งคนเก่าและคนใหม่ผมคงต้องไปทําความรู้จักคนใหม่ๆที่นั่นและคงต้องเริ่มงานกันเลย ผมเดินทางมาถึงที่นี่ตอนเกือบเที่ยงทุกคนเพิ่งละจากงานและกำลังเริ่มทำอาหารกินกันพอหันไม่เห็นผมต่างก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยถือสัมภาระและชวนผมเข้าร่วมวงกินข้าวผมกล่าวขอโทษพวกเขาที่มาถึงช้ากว่ากำหนดเพราะรถยางแตกต้องเปลี่ยนยางกันเล็กน้อยผมชวนให้น้องที่ขับรถให้ผมร่วมกินข้าวด้วยกันผู้เรากินกันอย่างอร่อยอร่อยเมื่อจัดการกับอาหารเสร็จเรียบร้อยเราก็แบ่งชุดกันเพื่อเริ่มงานทันทีสวัสดีทุกคนครับผมเจต ในชุดนี้ผมรู้จักน้องอาร์มแค่คนเดียวจนอีกสองคนช่วยแนะนําตัวหน่อยได้ไหมครับผมชวนพวกน้องๆคุยเพื่อให้พวกเขาไม่เกรงในชุดที่มากับผมมีสคนคือผมอาร์มและน้องใหม่อีกสองคนในชุดเรามีผู้หญิงคนเดียวคือหนึ่งในน้องที่มาใหม่ผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างในตัวเธอรูปหน้าที่ได้รูปดวงตามุ่งมั่นเป็นประกายผมดําสลวยถูกรั่วไปด้านหลังท่าทางของเธอดูธรรมะทะแมงเธมองมาที่ผมพร้อมกับยิ้มให้ ผมยิ้มตอบเธออย่างเป็นมิตรผมแอบมองเธออยู่บ่อยครั้งไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่เธอมีอะไรบางอย่างสะดุดใจผมอาจจะเป็นเพราะเธอมีท่าทางที่มุ่งมั่นและกระตือรือร้อนเป็นพิเศษหรือผมจะสนใจเธอเขาให้แล้วก็ไม่รู้เธอทำให้ผมนึกถึงเรื่องที่คนท้องถิ่นเล่าให้ฟังแสงสะท้อนจากกำไรข้อมือสีเงินวาวับของเธอสะท้อนเข้ามาในตาของผมเป็นกาไรเงินรูปงูหรืออะไรบางอย่างที่คล้ายงู ตรงกลางลําตัวของงูประดับด้วยอั ญ, ญมณีสีเขียวมรกตไม่ไม่ใช่สิมันไม่ใช่อั ญ, ญมณีแต่ดูเหมือนเป็นเกล็ดปลาไม่ไม่ใช่เกล็ดปลาผมทําตาโตด้วยความตกใจกับสิ่งที่คิดใช่ใช่แล้วมันมีลักษณะเหมือนเกล็ดที่ประดับอยู่บนรูปปั้นในชุมชนมันคือเกล็ดของพญานาะคสวัสดีค่ะฉันชื่อสายชลค่ะยินดีที่ได้รู้จักและได้ร่วมงานด้วยนะคะพี่เจดฉันเป็นนักวิจัยดินคนใหม่ค่ะ เธอกล่าวแนะนําตัวอย่างฉะฉานพร้อมกับยิ้มให้ผมอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวของผมยังไม่จบแค่นี้ครับหากใครอยากฟังต่อไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังอีกในครั้งหน้านะครับตอนต่อไปจะเข้มข้นและสนุกยิ่งกว่านี้หากชอบอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ก่อนนะครับช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ